สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในกฎทองคาครับกฎทองคำในวันนี้เป็นกฎทองคำข้อที่2เป็นกฎข้อที่2ในเช้าวันนี้ผมจะขอพูดเกี่ยวกับกฎข้อที่2ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตใจภายในครับ กับดาที่แล้วเราพูดถึงกฎข้อที่1 น, นะครับก็คือกฎแห่งการให้ใน2วันนี้ครับเราจะพูดถึงกฎข้อที่2ก็คือกฎแห่งจิตใจภายในพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์3ข้อด้วยกันครับที่ย้ําเน้นให้เราให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ข้างในของเราก็คือจิตใจภายในนั่นเองพระวจนะพระเจ้าตอนแรกครับ 2. โครินบทที่ 4. ข้อ 16. โปรดฟังพาะจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ยอ่อท้อถึงแม้ว่าภายกายภายนอกของเรากำลังชุดโสมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังจำเริญนขึ้นใหม่ทุกวันพระคัมภีร์ตอนที่สองครับ 1. สมอเอลบทที่ 16. ข้อที่7มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ สลุดีบทที่51เข้อที่6เป็นพระกัมพีตอนที่3ครับพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในพี่น้องครับพระกัมพีทั้ง3ตอนนี้ได้แสดงถึงว่าชีวิตของคนเ้านั้นมีสิ่งที่อยู่ภายในเราเรียกว่าจิตใจภายในหรือกายภายในหรือตัวตนภายในนั่นเอง กฎแห่งภายในนี้ทำให้เรามองหาคนที่อยู่ภายในเราใส่ใจคนที่อยู่ภายในเรานี่คือมุมมองจากพระกัมภีร์ที่สอนเราพี่น้องครับโดยทั่วไปแล้วคนเรามักจะมองดูที่รูปร่างภายนอกมองดูภายนอกดังนั้นเองทุกคนก็ใส่ใจภายนอกของตนเองสิครับว่าภายนอกของตนเองนั้นจะเป็นอย่างไร แต่ภายในจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคริสเตียนนั้นต้องเรียนรู้ถึงการมองภายในว่าเป็นผู้ที่สนใจความงดงามภายในครับใส่ใจสภาพความเป็นจริงว่าภายใต้ความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรอยู่ภายในมีคุณค่าหรือไม่นี่แหละครับจึงถือว่าเป็นของแท้พี่น้องครับ ท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านได้เขียนอย่างนี้บอกว่าทุกคนย่อมมีส่วนประกอบของพวกฟาริสีฟาริสีสนใจแต่ภายนอกชอบดูภายนอกของคนไปเยซูเจ้าไม่ได้ทรงตําหนิคนบาปอย่างร้ายแรงเท่ากับพวกฟาริสีพระองค์ได้ทรงใช้พระกัมภีทั้งบดเต็มๆตําหนิพวกฟาริสีเหตุไรพระองค์ ต้องตำหนิพวกฟาริสีไร้แรงขนาดนั้นเพราะว่าพวกเขาใส่หน้ากากชอบหน้าไหวหลังหลอกคนแบบนี้รับประทรนยากคนชนิดนี้คือคนที่ไม่รู้จักตัวเองทีนั้นครับเมื่อผมอ่านมาตอนนี้ผมพูดในภาษาสมัยใหม่ว่าพวกเราทุกคนก็มีเคมีของพวกฟาริสีเหมือนกัน เช่นเดียวกันครับิษีสนใจแต่ภายนอกหลายหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยก็สนใจภายนอกเหมือนกันว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีเพราะฉะนั้นเราก็เมคอัพตัวเองภายนอกเพื่อที่ให้คนอื่นดูดีแต่จะมีสักกี่คนครับที่เมคอัพคนที่อยู่ข้างในให้งดงามนี่แหละครับคือสัจธรรมความจริงที่พระกัมภีร์ต้องการให้เรา เป็นเหมือนกันทั้งภายนอกภายในครับกาลาเทบทที่6ข้อที่สท่านอาจารย์ฟิลิปเทงนั้นได้เขียนต่อครับว่าพระเจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะว่าผู้ใดถือว่าตัวเป็นคนสำคัญทั้งทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเองพระกัมพีข้อนี้ดูผิวเผินเข้าใจยากนะครับคือตัวเองไม่มีอะไรแล้วคิดว่าตัวเองมีได้ยังไง สาเหตุคือเขามีแต่เรื่องภายนอกครับนันา น, านเข้าก็เข้าใจว่าเขามีจริงๆภายในถ้าอยู่ในที่ประชุมพักคำของพระเจ้ากาลังดนใจให้เห็นสภาพจริงของตนเขาคนนั้นก็คงจะคุกเข่าลงและทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงประทับที่นี่จริงๆในพระธรรมหนึ่งโครินบ ท, ที่บสี่ข้อยี่สิบ้าครับที่ประชุมน้ำพสการที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเป็นที่เปิดเผย สถานภาพที่แท้จริงของจิตใจพี่น้องครับอาจารย์ฟิลิปแทงนั้นท่านได้เขียนต่อประเด็นสําคัญของกฎภายในจิตใจมีอยู่9ประเด็นด้วยกันครับก็คือท่านแนะนําว่าอะไรที่อยู่ข้างในเรา9อย่างตามพระคมภีร์เลยนะครับพี่น้องครับเราจะมาดูกันในเช้าวันนี้สักสี่อย่างครับประการแรกหรืออย่างแรกนั้นก็คือ ความดีภายในมัทธิวบทที่6ข้อที่3ได้กล่าวว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำอยู่นั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่ต้องทำให้คนเห็นนี่ครับจึงเป็นความดีงามที่แท้จริงพะะนันความดีภายในนั้นไม่ต้องทำให้คนอื่นเห็นครับเพราะไม่ใช่ทำให้คนอื่นเห็นนั่นแหละครับ ถึงเป็นความดีที่แท้จริงแต่เป็นการกระทำต่อพระพักพระเจ้าความดีที่แท้จริงปรากฏออกมาชัดเจนพี่น้องครับพระคมพีเริ่มต้นบอกว่าจงระวังจงระวังเมื่อท่านทำทานคำว่าจงระวังมีความหมายมากครับในภาษาจีนนั้นท่านให้ความหมายบอกว่าในภาษาจีนมีความหมายว่าทำให้เล็กลง จงระวังนี่ครับแปลว่าทำให้เล็กลงอย่าประมาทเลินเล ER. ่ออย่าขาดความระมัดระวังจงระวังไว้ระวังอย่าทำความดีแสดงต่อหน้าคนอื่นสร้างภาพความดีแบบนั้นเป็นความดีแบบฟาริสีครับและเป็นการแสดงความดีให้คนอื่นเห็นเพื่ออย่าได้รับคําชมเชยการทำดีที่แท้จริงก็คือการทำดีของมือขวาแล้วมือซ้ายไม่รู้ นี่เป็นคําขยายความที่รุนแรงมากนะครับหลายปีก่อนนั้นมีเหตุการณ์เรื่องหนึ่งสร้างความประทับใจให้ท่านอาจารย์ฟิลิปเทงก็คือเวลานั้นมีสํานักพิมพ์ครับใหญ่มากเลยอยู่แห่งหนึ่งทุกๆต้นปีในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิครับก็จะรณรงค์ให้คนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเขาเรียกร้องให้สังคมองค์กรทั้งหลายช่วยกันบริจาคเงินเพื่อคนยากจน วันหนึ่งหนังสือพิมพ์นี้ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนว่ามีคนหนึ่งเตรียมจะบริจาคเงิน1 0 0 0 0 0สนหยวนในเวลานั้นเป็นเงินมากนะครับหนึ่งแหยวนนี้ผู้บริจาคเงินต้องการให้สำนักพิมพ์ประกาศพร้อมกับพิมพ์รูปของเขาไว้ในหนังสือพิมพ์และสำนักพิมพ์ก็ทําตามคําขอครับคนทั่วไปนี่ทำความดีเพื่อจะได้รับ ป้ายแขวนไว้ที่ผนังบ้านติดผนังป้ายนี้ก็เรียกว่ามีภาษาจีน4คำครับก็คือชอบบริจาคชอบทาดีนะครับเป็นภาษาจีนั้นเขียนออกมาได้4คําครับติดฝาบ้านนี่คือการทำดีเพื่อชื่อเสียง4คํคำนี้ครับช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินเมื่อคนไปตกปลาเขาก็เอาเหยื่อใส่ไว้ที่ตะขอให้ หย่อนลงไปเล่นน้าเขาก็ได้ปลาตัวใหญ่เงินหนึ่ง0สนหยวนนั้นไม่ได้มากมายสำหรับคนมีเงินครับแต่ได้ชื่อซื้อชื่อเสียงกลับมาว่าเป็นคนดีเป็นคนชอบให้ชอบทำดีนี่ครับจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นักพิมพ์เขาถือว่าการได้เงินหนึ่ง0หยวนเป็นเรื่องใหญ่ครับและก็ผู้บริจาคนั้นเขาก็ถือว่าการได้ชื่อเสียงกลับมาก็เป็นเรื่องใหญ่คุ้มค่าในการแลกเปลี่ยนกัน โกรณีนี้นั้นในสมัยนี้ผมขอให้ความเห็นว่าเป็นวินวินซิทูเอชันครับก็คือในสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้การบริจาคจึงเกิดขึ้นและการได้ชื่อเสียงก็เกิดขึ้นตามมาพี่น้องครับในข้อแรกนี้ผมได้รับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องความดีภายในก็คือว่าเราจะต้องให้ความดีข้างนอกกับความดีข้างในที่ยวทํานั้นสอดคล้องกันครับ จะได้ไม่ทําความดีเพื่อได้หน้าไม่ทําความดีแบบฟาริสีไม่ทําความดีเพื่ออยากให้คนเห็นไม่ทําความดีเพื่ออยากได้รับคําชมเชยแท้จริงแล้วคําชมเชยเหล่านี้ครับเป็นคําชมเชยที่เราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นคําชมเชยที่ออกมาจากจริงใจจิตใจข้างในของคนอื่นหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราทําความดี ที่เกิดจากภายในแล้วพระเจ้าจะชมเชยเราอย่างแน่นอนเรามาถึงข้อที่2ครับในเช้าวันนี้ก็คือกฎทองคำข้อที่2ข้อที่ 2.2 ดครับกฎทองคำข้อที่2ก็คือว่าเราจะต้องเน้นเรื่องอะไรที่อยู่ข้างในนะครับเพราะจะนับพระเจ้าปรากฏอยู่ในโคโรโตสีบทที่2ข้อที่11ดแต่พูดถึงการเข้าสุนัขภายใน โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าในพระองค์นั้นท่านได้รับพิธีเข้าสุนัตที่มือมนุษย์ไม่ได้กระทําโดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสุนัตแห่งพระคริสต์พี่นองค์รับชนชาติอิสราเอลนั้นเกิดมา8วันต้องเข้าพิธีธสุนัตนะครับและเป็นพิธีสุนัตเนื้อหนังเป็นสุนัตภายนอกแต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเรารับสุนัต ฝ, ฝ่ายวิญญาณรับพิธีสุนัตในพระเยซูคริสต์ เป็นสุนัตแบบภายในครับเพื่อตัดกิเลส ต, ตัณหาของเนื้อหนังท่านศาสนาจารย์ฟิลิปเทงนั้นท่านได้ทิบายพระกัมพีภาษาจีนคำว่าเนื้อหนังเนื้อหนังนั้นภาษาจีนนั้นแปลว่าตัณหาครับภาษาเดิมไม่ได้ใช้คำว่าตัณหาแต่ผู้แปลพระกัมพีภาษาจีนนั้นแปลว่าตัณหาตัณหานั้นทาให้เราเข้าใจง่ายขึ้น ก็คือตันหาทางเพศแต่คําว่าเนื้อหนังนั้นมีความหมายกว้างกว่าก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อหนังต้องจัดการหรือกล่าวอีกในหนึง่งก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆเราต้องยอมให้พระเจ้าจัดการเนื้อหนังของเราทุกคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณต้องได้รับการจัดการด้านเนื้อหนังจากพระเจ้าเรามักจะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะจัดการท่านท่านจะจัดการข้าพเจ้า แต่พระคริสต์ต้องการให้เราจัดการตัวเองครับจัดการกับตัวเก่าของตัวเองผู้ที่ไม่ยอมถูกจัดการฝ่ายจิตวิญญาณก็ไม่เติบโตพี่น้องครับการเข้าสุนัตฝ่ายวิญญาณ น, นั้นก็คือการที่ยอมให้พระเยซูได้เข้ามามีส่วนในการตัดกิเลสตัณหาของเราทำชีวิตของเราให้ดีให้บริสุทธิ์ คนเป็นนั้นมากนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อตามหาผู้ที่มีชื่อเสียงเพื่อเขาคําแนะนําเกี่ยวกับผลงานของตัวเองเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองโดยมีเป้าหมายว่าแสวงหาความก้าวหน้าครับเรากระหายที่จะก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าดังนั้นเองเราจึงต้องทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดจัดการฆ่าพระองเถิดขอโปรดจัดการฆ่าพระองค์เถิดเพื่ออะไรครับเพื่อว่า เราเองนั้นจะจัดการเกี่ยวกับกิเลสตัณหาเนื้อหนังของเรานั่นคือข้อที่ 2. ครับเราจะต้องเข้าสุนัตภายในการเข้าสุนัตภายในนี้ก็ยังหมายความว่าเราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเข้าสู่พันธสัญญาของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เนื่องจากเวลาของเราก็หมดแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเน้น หรือให้ความสำคัญของคนที่อยู่ข้างในนะครับเน้นความสำคัญของคนที่อยู่ข้างในให้มากๆกเข้าไว้พี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างในกับข้างนอกนั้นอะไรที่อยู่ข้างในจะแสดงออกมานะครับตัวตนข้างนอกที่เราโปะไว้ครับเราพอกไว้ให้ดูดีมีวันหนึ่งมันจะหลุดมันจะกระท้ะออกมาครับแล้วตัวจริงที่อยู่ข้างใน มันจะแสดงออกมาเมื่อเราใช้เวลาใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเมื่อเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันมากขึ้นพี่น้องครับข้างไหนต้องดีครับข้างไหนไม่ดีมันก็จะเห็นต่อมาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่สัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งที่พระเจ้าให้กับเราในการทํางานในการที่จะดูแล พระราชกิจของพระเจ้าดูแลครอบครัวของเราหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบขอพระเจ้าอํำหน่วยพรพรทุกท่านครับอาเมน